เรื่องคำคัดค้านของภิกษุที่ฟังขึ้นภิกษุทั้งหลายคำคัดค้านในท่ามกลางของปกตัดตะภิกษุภิกษุผู้มีสังวาสเสมอกันภิกษุผู้อยู่ในสมาณสังวาสสีมาโดยที่สุดแม้ภิกษุผู้นั่งอยู่บนอาสนะติดกันบอกให้กันรู้ฟังขึ้นภิกษุทั้งหลาย คำคัดค้านในถ้ำกลางสงของบุคคลเหล่านี้แลฟังขึ้น